ขอกับาบคารวะพระลัตตนาไตยคือพระพุทธประธานพระสงค์ข อ, อนามธรการหลวงพ่อผู้เป็นประธานแล้วก็พระเทลานุเทนะอาจารย์คูณผู้บาอาจารย์ทุกๆ ท, ท่านนี่หลวงพ่อหลวงพี่ทุกๆ ท, ท่านจเจริณเจริญพรแม่คี ญาติดยมทั้งพ่อออกแม่ออกทุกทุกด้านนี่กจะพูดทิงนี่ก็ยังที่พูดไม่ถึงเลยมัหนหลงไปด้อยแปรแต่และไม่อยากจะพูดเลยนี่แหละมันไม่เที่ยงหรอกครับคนเราเนี่ยเกิดมาในโลกนี้ไม่มีอะไรจะเที่ยงสักอย่างเดียวแต่เราอาดอมเป็นของเที่ยงอยู่ยังนั่นยังสงสัยอยู่เรื่อยนะ ค่อยๆฟังไปผิดผิดก็เอาจริงซะอันไหนถูกก็จําไว้เอาไม่ไม่ผิดไม่มีถูกหรอกถ้าไม่ปาก <c oughs> ฟัง <c oughs> อยู่แเราเกิดมาลงทางมานานแล้วเราไม่รู้จกักรู้จักกายไม่รู้จักใจชีวิตของเราเนี่ยไม่รู้จักแล้วก็พากันหลงอยู่อย่างนั้นแหละ ถ้าเรายังไม่มาประพฤติปฏิบัติแบบนี้จะไม่รู้เลยเกิดมาเล่นแล้วพ่อไม่เคยเคยนึกอย่างนี้อีกทีหรอกอยู่ตั้งแต่ก่อนนึกว่าสนุกสนานไปตามเรื่องตำรามันไปมีเหล้าก็กินไปมีหมูมีพวกพ้าเล่นพ้าฟ่อนก็ฟ่อนไปเล่ยๆไปสนุกไปอย่างนั้นงพ่อพอมาเห็นเดี๋ยวนี้โอ้ทำผิดไปหมดเลย เพราะเอาถึงที่เราทําอยู่นี่ตั้งแต่เราเกิดมาเนี่ยจนจนกระทั่งมาบวชในครั้งนี้เอาลูกเอาเต้าม า, ก, าก็เอาลูกเอาเมียเอาลูกได้ลูกได้เต้ามาก็มันก็จะเหมือนกันกันกบพ่อเลยมันตั้งแต่กี้ยแหละตั้งแต่ก่อนนั่นแหละพอมาปฏิบัติเขาเนี้ยโอ้ลูกเต้าก็ใหญ่ขึ้นมาสมควรมีครอบครัวมีอะไรแล้วก็ ด้แล้วก็ไปพูดให้เขาฟังเขาก็อยากจะมาที่ถุดเดยเขาไม่ได้อยู่เฉย เ, เวลามาที่ก็พากันเดินกรมหมดทุกผู้ทุกคนน่าสงสารเหลือเกินมาตดีว น, นี้กาลังยากลาบากหาอยู่หากินโลกก็กำลังเรียนก็มีมก็เขาก็ทำหน้าที่ของเขามันก็ดีอยู่ในโลกเนี่ยถ้ามันมีอาหารการกิน ไม่อดไม่อยากมีเข้ามีน้ามีเงินมีทองพอได้ใช้ได้สอยมันก็มันก็มั น, นดีแล้วก็เพลิดเพลินไปแต่แตเรื่องเรื่องนี่แหละเรื่องอยู่ในครอบครัวเขางเราเนี่ยเราจะชวนมาวัดมาวามันก็ไม่อยากมาเพราะว่ามันห่วงสิ่งที่ทาไว้นั่นนะถ้าไม่ไปทำมันก็จะไม่ได้อะไรก็คิดอยู่อย่างนั้นแหละ เพนั้นพวกเรานี่ก็ทุกๆคนก็หว่วงเหมือนกันเพราะมันมันไม่มากพอที่จะมาได้มันก็มาไม่ได้ถ้ามาได้อย่างหลวงพ่อเนี่ยมันก็จะมาเหมือนกันแต่ว่ามันยังมีลูกมีเต้ายังไม่เป็นแผ่นเป็นผ้าฝาได้หลายคนอยู่ลูกก็ไม่ใช่ลูกธรรมดาลูกก็ตั้งหกคนอ่พี่เจ้าเดี๋ยวนี้เขาไม่มีดอกลูกหกคนอ่ะ มีอยู่หรอกสองคนอย่างมากสองพ่อนี่มันมันหลายคนนั่นแหละหลายก็ดีหลายคนเนี่ยดีแล้วมันดียังไงอ่ะเวลาพ่อเก็บพ่อป่วยคนอื่นเขาใกล้ไม่ไ ม, ไม่ไม่ค่อยไปได้เข้าใกล้หรอกเป็นนัง่งนั่งอยู่ไกลๆเพราะว่าลูกห่หมหอมหมดเออเป็นอะไรก็เห็นอะไรเนี่ยกัคอก่ เขาก็คนนั้นมานวดแช่งนวดขาทําทนั่นทา น, นี่ให้สารพัดยังไม่ได้ทำนี่ยสิ่งใดเราจะสบายมันก็ไปติดอยู่นั่นแหละเนี่ยเกิดมาเนี่ยมีแต่ทางที่จะติดทำอะไรไว้ก็ติดไปหมดพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เรามาดูตัวเองมาดูกายมาดูใจของเราเนี่ยเวลามันทุกข์อะไรมันเกิดขึ้นให้เรารู้จัก อย่าไปเขาเข้าใจว่าเรามาเพื่อพืปฏิบัติเนี่ยเราจะได้ไปเห็นเทวดานรากอยู่ชั้นฟ้าท่านพรมอะไรเนี่ยอย่าไปคิดเลยให้เห็นเทวดาอยู่ในตัวของเรานี่นรกก็ให้เห็นอยู่ในนี้สวรรค์ก็ให้เห็นอยู่ในนี้นิพพานก็ให้เห็นอยู่ในนี่ไม่ใช่ว่าให้ไปออกไปทางนอกไปของดีอยู่ในกับคนเราแท้เนี่ย เราไม่เห็นเราก็ปล่อยไปตามมารมตามยถาาะถารมของเราเรื่อยๆเรื่อยไปถ้ามาเรื่องนี้นะ่ะเราจะไม่เห็นอะไรเลยเนี่ยสงสัยไม่ไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นนักที่แหละมีแต่เขาเล่าให้ฟังเขาโกโหกมาเรี่องมาพูดให้ก็ฟังไปฟังพระเทศนี้ก็พระก็ไม่ปวดล่อตะเงินโยม เ, เทศอะไรก็ แต่ท่านอนั้นก็ได้ผลาเท่านั้นเท่านี้ทําบุญนั่นจะได้ผลาเท่านั้นเทน่านี้โอ้ยเนี่ยมันก็ว่าไปตามเรื่องตามราวของมันมันก็ได้อย่างเขาว่านั่นแหละแต่ว่าได้นั้นก็มันพอเรามารูจา้จักศีลรู้จักธรรมอยู่ในเมืองเราที่เราประพฤติปฏิบัติอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ที่อะไรเราจะไปขึ้นสวรรค์ได้ไปขึ้นนิพพานได้เนี่ยเพราะว่าการกระทาของเรา มันไม่ถูกต้องตั้งแต่ที่แรกเนี่ยทำบุญเนทานแต่ละครั้งเนี่ยข้าววะข้าวไข่ข้าหมูไม่รู้จะกกี่ตัวแล้วก็เล่ากับไม่รู้จะกี่ขวดทีเทเอามาซุบเรื่องกันทั้งฟ่อนทั้งลำาบางทีก็ตีกันก็มีตีหัวกันก็มีแทงกันก็มีข้ากันก็มีแล้วก็มันมันเป็นอย่างนั้นอะ่ะ มันก็ไม่ได้หละบุญนะได้ก็ได้อย่างนั้นแหละได้ได้อยู่แต่ว่ามันไม่ได้อย่างที่เรานึกไว้สมนึกสมปรารถนาไม่ได้เป็นแบบนั้นได้ก็ได้ถึงความทุกข์ความสุขความโศกเศร้าเสียใจมันก็ได้อันนั้นเนี่ยเราเกาอะไรมันมีสิ่งที่เก่าเนี่ยเราไม่เห็นเราไม่เข้าใจเราก็พากันนิยมสมพรตั้งแต่สิ่งที่นอกตัวเรา คือพวกนี้เขาไม่ได้เบิกพืชปฏิบัติเหมือนพวกเราให้ให้พระจานั่นให้เราพยายามให้มาทำนี่เนี่ยของจริงเห็นของจริงแล้่ยหลวงพ่อเห็นของจริงแน่นอนเลือกนอกจากนี้ไปหรอน้อยที่สุดไม่มีหรอกสายอื่นท่านปฏิบัติมาก็ดีเหมือนกันเนี่ยก็ท่านเกิเข้าถึงสิ่งที่มันมีอยู่ในตัวเราเนี่ยมันก็ดีเหมือนกัน ถ้ามาเห็นสิ่งอยู่ในตัวเราเนี่ยไปเห็ น, นแต่สิ่งภายนอกมันก็ไม่เห็นอะไรล่ะเป็นของที่หลอกล่อล่อเราให้เราปิดไปติดไปเพิดเพลินอยู่กับมันอยู่อย่างนั้นบุกวนเวียนไปเวียนมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่นี่แหละเพราะว่าเรามาเกิดมาเนี่ยเกิดมาต้องเพราะว่าเขาเกิดมาใส่หากรมตัวเองเออสางเกิดมาใน้าตนินียมาสร้างสรรทุกสิ่งทุกอย่าง ที่เราทําลงไปเนี่ยมันจะเป็นสมบัติของเราที่เราจะได้ไปครองเมื่อเราตัเมื่อเราสิ้นเสร็จชีวิตของเราไปลงแล้วอะก็มีแต่ตายนะตายแล้วก็ไปตามกรรมเนี่ยความโลบความโกรธความหลงที่เรามีอยู่ในตัวของเราเนี่ยมันยึดมัน่นถือมั่นจนตายไม่ละไม่ปล่อยไม่วางให้กันเลยแต่พวกเราเนี่ยมันเห็นแล้วมันก็ไม่กล้าจะทํา แต่พวกคืออื่นเขาไม่ได้มาดกับพวกเราเนี่ยเขาจะไปยึดมัน่นถือมั่นกันอย่างนั้นความด่าความว่าความอิจฉานินทาความสารเ ส, สนิสนสารพัดตั้งแต่มันจะเกิดขึ้นนี่แหละมันสับตนวุ่นวายไม่รู้จัก จ, กจบเมื่รู้ยักติ้นอ่ะเกิดมามาใช้ชาติใกรรมให้กันเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จัก จ, กจบมไม่รู้จักสิ้นอเกิดมาก็เราจะสร้าง ให้เห็นสวรรค์ชั้นั้นชนนี้นิพพานชั้นนั้นชนันี้ตั้งแต่เรามาเป็นคนเนี่ยนะไม่มีหรอกมีแต่บันาว่อนๆเอามากๆนั่นแหละจะไปเข้าใจแบบนั้นพวกเราอะ่ะให้ดูมาดูตัวเองเนี่ยเรามีกายเรามีใจอะไรมันเกิดขึ้นไปมันออกนอกตัวไปจะนะมันจะไปสร้างพบสร้างชาติให้เราถ้าคนไหนมาดูชีวิตจิตใจของเราเนี่ย ดูขึ้นมาเนี่ยเห็นแล้วก็แล้วไปดีแล้วก็ปล่อยปะละเลยไปชั่วแล้วก็ปล่อปล่อยไปละเลยไปนี่เป็นผู้ลูกเฉยๆไม่ต้องเอาอะไรจิตใจของเรามันก็สว่างสะอาดสงบมันเบามันวางไปความโศกเศร้าเสียใจอะไรมันก็ไม่มีเพราะเราเข้าใจแล้วรู้จักรดละู้จักปล่อยรู้วจักวางไม่ยึดมัน่นถือมั่นในสิ่งนี้เราก็ จิตใจของเราเราก็ปล่อยไม่ก็ว่างปวด่วงโล่งสบายเดินไปไหนมาไหนก็เบาเบากายเบาใจเนี่ยเห็นเกิดขึ้นมาเราเห็นแล้วก็ปล่อยป ล, ะ, ละเลยไปไม่ต้องไปสนใจมันเพราะว่าครูบาอาจารย์ท่านสอนไม่ให้เอาอะไรเป็นผู้รู้เฉยๆดีก็เอาตีดีก็ไม่เอาชั่วก็ไม่เอาเห็นแล้วก็ปล่อยไปมันเกิดจากกายกับใจของเรามันไม่ได้เกิดมาที่อื่น เพราะฉะนั้นให้เรามาดูกายดูใจของเราเมื่อเวลามันจะเปลี่ยนแปลงไปที่ไหนหายใจเรารู้เท่ารู้ทันกันอย่างนี้มันก็จะนับบังแต่วันที่จะได้อารมณ์ยิ่งปฏิบัตินานเท่าไหร่ก็ยิ่งจิตใจชีวิตของเราเนี่ยมันก็จะปลอดโปร่งโล่งสบายเย็นไปเนี่ย อยู่ในจิตในใจของเราเนี่ยเดินไปก็มีความสุขมีความสบายกายสบายใจเดี๋ยวเพลิดเพลินไปกับมันทาอยู่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้จักเหนื่อยไม่รู้จักละมีแต่เพลิดเพลินไปเรื่อยไปก็ยิ่งจะปฏิบัติไปก็ยิ่งเข้าใจเรื่อยๆไปชีวิตของเราเนี่ยมันน่านิยมสมพรเหลือเกินไม่มีวันที่จะ เศราเสียใจต่อไปอีกเนี่ยเราต้องมาให้เห็นสิ่งที่มันอยู่กับเราตัวเรานี่มันออกไปที่ไหนให้เรารู้จักมันให้เรารู้เท่าทันมันถ้ามันไปติดอะไรอยู่อากาศก็ตามเราอย่าไปเป็นผู้เป็นมันติดอยู่เราก็ให้รู้จักออกคือมาอยู่กับตัวรู้สึกนี่แหละมาดูกายมาดูใจของเราเนี่ยให้มันเข้าใจรูปกับนามเนี่ยมันเป็นที่เป็นที่พึ่งของเรา ที่เปรึกษาเรากลายเป็นเบาใจเป็นนายกลายเป็นเบาไปไหนเมื่อก็อาศัยกันให้มันรู้สึกกันให้มันไปไหนก็มันอยู่ด้วยกันไปด้วยกันทําการทํางานก็ให้มันทําด้วยกันเมันเกิดอยู่ที่ไหนธรรมะเกิดอยู่ในปัจจุบันอะไรเกิดขึ้นมาแล้วก็ให้เราเข้ามาอยู่ในปัจจุบันเนี่ยคือความรู้สึกนี่ก็ให้รู้จพลิกขึ้ น, นพลิกลง เอาจงขึ้นเอาอย่างน่น ล, ลูกจะเฉยลูกไม่เอาอะไรเฮ็ดเอาอยู่งั้นแหละอยู่นะดูดูตัว น, นี้แหละมาดูตัว น, นี้แหละอันความชินก็หายไปแก่เขาแก่เขานะ่ะพอมันเกิดขึ้นมาเนี่ยเราเห็นมันมันก็ขาดออกไปเฉยมันไม่มีอะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นให้เราพยายามทำความรู้ถึกตัวให้มากๆเราจะไปละไปปล่อ ย, ไ ป, ปอยไปวางไปไหนฮะเอาไปได้เดินไปกินข้าวกินน้าไปทีไหนก็าตามไปเดินไปอาบน้ำอาบอะไร มีตั้งแต่ธรรมะทั้งหมดมันอยู่ที่นี่ปัจจุบันเนี่ยถ้าเราทำได้แบบนั้นน่ะมันจะเห็นเป็นทางไปจิตชีวิ ต, วตจิตใจของเราเนี่ยมันก็สว่างสวยสะอาดสงบมีแต่ความสุขความทุกข์นั่นเกิดมาเนี่ยเราก็เห็นเห็นแล้วมันก็หนีไปเห็นแล้วมันก็หนีไปให้เป็นคนปล่อยวางเฉยๆดีแล้วก็ปล่อยวางไปชั่วแล้วก็ปล่อยวางไป อย่าไปปีติไปผักภูมิใจของมันอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยเราอย่าไปเคี่ยวไม่เคี่ยวครูบาอาจาไม่ให้เคี่ยดอะไรสักอย่างเดียวให้เคี่ยดตัวเราเองอะไรเกิดขึ้นให้เราเคี่ยดตัวเราเองมันจะดีก็ตามมันจะชั่วก็ตามมันเกิดมาให้เราเห็นเห็นแล้วก็ปล่อยไปวางไปไม่ต้องเอาอะไรไม่มีสิ่งที่จะเอาสิ่งที่จะเอาก็มันไม่มีตัวไม่มีตน เนี่ยให้เราเข้าใจตัวเราเองอย่าไปออกไปทางนอกออกไปทางนอกก็ไปแล้วไปมีหาไปหาอาดีตอนาคตไปแล้วก็เพิดเปิินไปแล้วไปนะกับไหาถึงนิมิตไปหาสารพัดนั่นแหละมันไปหาไปหาเราก็ไปตีโพยตีภายไปนั่นแนหะพวกที่ไม่รู้啊 พวกที่กําลังเดินทางใหม่ๆนี่ก็นี่แหละให้พยายามเราจะเข้าไปติดในสิ่งที่มันเกิดขึ้นเราพยายามมาดูชีวิตจิตใจของเราเกิดมาชาติเดียวให้มันเข้าใจในชีวิตตัวของตัวเองคิดเรืองของตัวเองทแท้คือความไม่มีทุกข์ยมเนี่ยเราไปติดมีตาหูจมูกลิ้นกายใจ รูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ทำอารมอารมณ์น้อยอารมณ์ใหญ่อารมณ์ทางตาทั้งหูแต่หูริ้นกายใจเนี่ยรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์คจะว่าอารมณ์นั่นเดอเขาเรียก ว, ว่าอายตนะสิบสองก็ได้อายจ น, ยนะหกก็ได้ถ้ามันมารวมกันก็เป็นอธิบถองละอันหนึ่งเป็นรูปอันหนึ่งเป็นตา อันหนึ่งเป็นรูปมันก็นั้นแต่ละเทาเพียนล้วก็ไปติดอันนั้นแหละไม่รู้จักออกดาวบวาใหม่ๆเนี่ยเห็นมันเห็นรูปเห็นอะไรสวยๆหรืองามๆมันก็อยากได้อยากได้ก็ถ้าไม่ได้มันก็เป็นทุกข์ถ้าได้มามันก็ดีใจชั่วขนาดหนึ่งเท่านั้นพอดูเดินไปได้ไปนานๆวันมันก็เบื่อได้มันก็ไม่อยากได้มันก็อยากไปเอาอันใหม่อีกมันมันไม่เที่ยงหนอก โอได้ยินเสียงนั่นก็ดีเนี่ยมันนินทาก็รู้จักสรรเสริญก็รู้จักเป็นของนิม่เที่ยงเราอย่าไปติดมันให้รู้จักตามความเป็นจริงอันนี้ก็ไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่มันเป็นแค่ น, นั้นเองอย่างพระพุทธท่านท่านบอกไว้อย่าไปยึดติดมันนี่แหละเราจะเข้าไปหาความสบายของเรามันก็ต้องให้รู้จักสิ่งนี้นอายตนะภายนอกภายในเนี่ย ถ้ามันกระทบเขาแล้วนั่นน่ะมันจะทําให้เราทุกข์ทำให้เราติดมันมี ด, ดดีดดดมีเดดมากมันมีรสมีชาติไอิเล็ดอร่อยมันไม่อย่างนี้ขันมาคนใดมาเข้าไปหาแล้วนั่นน่ะมันจะเป็นความหงึงความหวงไปทันทีเลยคนถ้าคนชอบใจมันนะ่ะถ้าคนไม่ชอบถามารักเราอีกก็เอาอีกแหละก็ไม่ชอบกัน เขาคนที่มักเขาก็ลอบจากรักเราแต่เรานไม่อยากมัดลักเขนี่ยก็เขาก็หนีไปก็คนนี้เขาก็เดี๋ยวอกเดี๋ยวใจอีกเชียดโกรธไปเนี่ยมันเป็นสารพัดเองหนึ่งมันจะเป็นอันรักก็มีอันรังอันรังเกียจก็มีสารพัตดมันจะเกิดนั่นแหละเราก็ไปยึดมัน่นถือมั่นในถึงนันนั่นแหละเอาจนว่าถ้าตกเข้ามาแล้วก็จะเอาให้ได้ก็ ถ้าพอความพอใจอะถ้าความไม่พอใจมันก็ไม่อยากให้ไม่อยากเอาทามาใกล้ๆก็ไม่ให้ไม่อยากเข้าใกล้แหละไม่อยากไปคบค่าสมาคมแล้วถ้าไม่พอใจมันจะเป็นอยู่อย่างนั้นวกนเวียนออกจากคนนี้เราก็ไปหาคนนั่นออกจากคนนั้นไปหาคนนั้นออกจากสิ่งนั้นไปหาสิ่งนั้นในโลกนี้มันจะไปยึดมั่นถือมันเป็นตัวเป็นตเนตเป็นหมดเลยเนี่ยให้เราเข้าใจ เนี่ยกระทบแล้วก็มันก็เคยจะเกิดรูปเวทนาสัญญาสังขานวิญญาณมันจะเกิดขึ้นมาเกิดขึ้นมาแล้วก็เขาเรียกว่าขันห้าไปยึดมันถือมันในสิ่งนั้นแล้วก็มีเกิดพบเกิดชาติขึ้นเลยเราจะวกวงเนเวียนว่าตายเกิดอยู่ในภพ ร, รอบนี้แหละจนตายถ้าเราไม่มาเข้าแบบนี้ถ้าตายแล้วก็เป็นสมบัติของเราที่ไปครองจะหนีไปนิพพานนั่นนะ่ะไปไม่ได้หรอก โลกิยาเนี่ยมันติดอยู่นี่ถ้าคนไม่เข้ามาประพฤติปฏิบัติมาดูชีวิตจิตใจตัวเองแล้วนะ่ะจะสร้างบุญมากเท่าไหร่มันก็ไม่ไม่ได้ไปเนี่ยให้เข้าใจเพราะฉะนั้นอันมาตายเนี่ยมันมีบุญมากที่สุดเลยมันตุนไม่หดตุนหายไม่เป็นสิ่งที่เรามาพ่อมาทำอยู่เนี่ยจะเป็นสมบัติของเรา ถึงแม้ว่าเรามีกิเลสตัณหาอยู่เราก็จะได้มากับขึ้นมาเกิดอีกส่วนบุญที่เราทำอยู่ น, นี่จะรอจะลอท่าคอยเราอยู่นี่แหละอยู่ในอวกาศอ ย, อ, ยยอยู่ในเนี่ยอยู่ในอากาศนี่แหละสิ่งที่เราทำบาปไปตายไปเนี่ยเราก็จะไปใช่ชาติแท้กรรมสิ่งที่ทำท่วสิ่งความดีแล้วก็จะ ได้คลองอีกมาเกิดเป็นคนนะจะได้มาคลองอยู่นี้แหละเกิดมาเป็นคนนี่มันก็ต้องดีกว่านี้อีกเป็นตั้งหลายพอถึงเวลาแล้วก็ได้มาศึกษาธรรมะที่เรามาอยู่เนี่ยสติปัญญาเราก็ทําเราก็รู้จักแล้วพอได้ยินเสียงพระท่านมาเทศหรือมาโพธิ์อย่างเนี้ยเราก็ได้จะได้ดวงตาเห็นธรรมไปเร็วแล้วก็ได้ขึ้นเบาเห็นวูจากคนทางไปแล้วก็จะไปน่ไปนิพพานเนี่ย ให้เราเข้าใจเขานึกว่าถ้าไม่ได้ไปนิพพานเดี๋ยวนี้นะ่ะจะไม่ได้ไปเลยอีกอย่างนั้นไม่ไม่ใช่เพราะว่าเรามาทําแล้วอันนี้ขาดไม่เป็นหนีหมไม่เป็นเพราะบว่าตระหนักรมีของเราในสร้างไว้แล้วในเมืองมนุษย์ให้เราเข้าใจเนี่ยเราเกิดขึ้นมาเนี่ยถ้าไมา่ได้ทําแบบนี้นะ่ะจะไปใช้ชาติแกรรมไปอยู่นี่ตลอดไปอยู่ในเมืองมนุษย์อของเราเนี่ย มาเกิดเป็นสารพัดที่จะเกิดเป็นสัตว์ในแต่ชัน้นเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นอัตรกายวกวนเวียนแวดกระจายเกิดเปลี่ยนกันรับเปลี่ยนกันลุกเปลี่ยนกันจองล่างจองผ่านอยู่นี้มันรู้จักจบมันรู้จักทิน้นถ้าเราไม่มีทางออกเราก็จะบุ้นกันอยู่นี้แหละยุ่งกันอยู่นี้แหละถ้าเราไม่มาศึกษาเรื่องนี้ก็ดีเกิดมาอยู่ในเมืองมนุษย์เนี่ยถ้าเราทําแล้วก็ เราทำอยู่ในชาตินี้นะมันก็ดีดีตั้งแต่คนรวยก็มีเงินมีทองมีเข้ามีของนั่นแหละก็ขเขาเรียก ว, ว่าเมืองสวรรค์ก็ว่าอยู่ได้จะว่าได้ไม่อวดไม่อยากคน ท, ที่ขี้เจียจที่ขันหรือพวกที่ทำชั่วไปแล้วเนี่ยวัดก็ไม่อยากเข้าพระไม่บินบ า, บาทหรือว่าไป ทำบุญทำทานอะไรก็ไม่อยากทำเนี่ยบางทีก็ทำเล็กๆน้อยๆก็ก็ได้ถึงเล็กเติมน้อยนั่นแหละมันก็เป็นคนอดคนอยากเกิดมาเนี่ยบุญวัตนาบา ร, รมีของเราเกิดมาเนี่ยถ้าเราไม่กินไม่ทานเนี่ยจะเป็นคนอดคนอยากถ้าเราทำมาแล้วนั่นก็กินทานเราก็ได้อยู่ได้กินพออยู่พอกินอยู่นี่แหละแล้ววันนี้ส่วนกรรมกระทำ ส่วนกรรมของเราที่ได้ทําไว้เนวเดีย ว, ยวนี่ยชาติเนี้แล้ววันนี้ก็ถ้าตายไปแล้วก็มาเกิดอีกก็จะเปลี่ยนกันเปลี่ยนกันรับเปลี่ยนกันลุกเปลี่ยนกันจองล่างจองผ่านคนที่ชนะก็เป็นคนแพ้ไปคนที่แพ้เคยแพ้มาแต่ก่อนก็เป็นคนชนะมันจะเป็นอยู่อย่างนั้นอยู่ตลอดไปโดยชีวิตจิตใจเลยถ้าเราเอาออกมาได้ตั้งแต่เราเป็นคนเนี้มันจะพัวพันอยู่นั่นไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้น เปลี่ยนกันเป็ น, ปยนอย่างนั้นแหละโน่ น, นละศา ส, สนาภาษีมาลบอ่ามามามาปวดโ น, อนอ่นจังเกียจได้ออกจา ก, กันเลี๋ยวเมื่ออะไรพระ้พาพระัรตีจะได้มาโปวดก็ไม่รู้เนีย่ยให้เราเข้าใจทุกอย่างที่เราทำลงไปอย่าไปทำของที่ผิดศิลผิดธรรมอยู่ในโลกอันนียถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ไปนิพพานก็เกิดไหโลกนี้ก็ เราต้องพยายามชาตินี้เราต้องทำความดีต้องทำบุญให้ทานรักษาศีลให้มันบริสุทธิ์ก็จะได้เนี่ยความพัฒนาอน่อนๆอนก็จะได้มาปฏิบัติปฏิบัติอย่างพวกเรานี้จะไปไม่ได้ดอกทำอะ ไ, มไ้มาปฏิบัติอย่างเราเนี้ยต้องมาปฏิบัติแบบพวกเรานี้จึงจะได้ไปให้เราเข้าใจ เป็นคนหลงอยู่อย่างนั่นแหละถ้าเขาเรามีสติ ป, ปัญญาก็อันนี้แหละนี่แหละบารมีของเรามาสร้างไว้แล้วชาตินี้บารมีไม่ใช่อื่นไกลนะคือความขยันเราสามารถจะตัดพบตัดธาตุชาตินี้แหละมาเป็นพ่อไร่พ่อนาหรือเป็นพ่อข้าอะไรก็แล้วแต่เบียงานชาติาทำอะไ ร, รเจอะแยะสามารถตัดถิ่นออกมา มาปฏิปัติตัวเองมาเข้าใจตัวเองอย่างเนี้ยมันจะได้ประโยชน์มากดีมากที่สุดเลยขอนิยมเลยถ้าคนเป็นอย่างนั้นที่มากับหานุพ่อวันนี้คนหนึ่งก็ไปมาแต่งต่ประเทศอินเดียก็ไปติดอารมณ์มาก็ไม่ได้แก้กันนะมาแจ้กันเมื่อวานเนี้ยก็ว่าพอมา ไปแจ้งก็ทําอย่างที่บอกเนี่ยก็มันก็หายหายค่อยเบาออกเบาออกถึงวันนี้วันนี้เดินได้สบายเลยแล้วก็ตัดทางเมียบอกว่าจะมาปฏิบัติจะไม่ศึกเลยจะบอกว่าจะไม่ศึกจะมาบวชตะเล่น ไ, ไม่ต้องกลับติอื่อี ก, อกเนี่ยถ้าคนใดเข้าใจอ่ะมันจะเป็นอย่างนั้น ถ้าเราฟะมันเป็นอะไรก็ให้ขออดทนต่อความลําบากนั่นเนี่ยถ้าเราอดได้ไมันก็ดีอดทนไม่ได้ก็มันก็ไปดีแล้วรู้จักว่าถึงนี่ดีว่าพยายามไม่ไม่เดี๋ยวความสามารถเราเอาละพูดแบบเที่ยก็สมควรเจรเวลาไม่มีคําพูดมากเท่าแก่แล้วขอตีเพียงเท่านี้ขอ นี่ก็ขอให้ทุกทุกท่านทุกคนจงตั้งอกจังใจประพฤติปฏิบัติให้เข้าออถึงแก่นแท้ของพุทธศาสนา <g usting> คือความสว่างความสะอาดความสงบจงมีเจ้าท่านในเวลาใกล้นี้ทุกทท่ทานทุกคนเทิด